มาที่ปู่หลงก็สืงคิวพระใหม่ได้แสดงธรรมเพราะที่นั่นเนี่ยวันพระจะผัดกันพูดแต่พูทุกคนแม่เจดแม่ชีก็ได้พูดแต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนก็คือพระใหม่ท่านเนี้ยท่านนําเรื่องราวชีวิตจริงของตัวเองมาเล่าซึ่งเป็นเรื่องที่เขาท่านจะดราม่ามา ก, มากแล้วสะกดให้ทุกคนเนี่ยที่รับฟังอยู่รอบจวนพระแม่ชีและโยมเนี่ยฟังกันหูพึ่งเลยเหมือนที่อาจารย์ไปสาเล่าอ่ะ โดยเฉพาะอาจารย์าษาเน่ยหลังจากฟังจบแล้วเนี่ยมาถามว่าธรรมาอัดไหมธรรมะผมไม่ได้อัดหรอกเพราะว่านึกไปถึงข้อใหม่ท่านจะพูดได้ดราม่าขนาดนั้นอาจารย์ก็เลยต้องไปขอไฟเสียงจากยมนกซึ่งเสียงอัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ไกลไปดังแกะแต่ว่าเล่าให้โยมฟังอะไรหละนี่คือสรที่มาที่ไปของธรรมะในวันนั้นชื่อไฟลสิ่งดีดีที่ได้จากความทุกข์อาจารย์เป็นนักเทศที่มีกิจวิญ ญ, ญาณท่านเห็นอะไรที่สะดุดตาสะดุะดหูเนี่ย ถ้าจะเก็บมาเล่าให้พวกโยมฟังทันทีเลยเพราะนักเทศจริงๆเหตุการณต่างๆเนี่ย ท, ที่ดีเนี่ยต้องเก็บไว้ทันทีถ้าเรามีตัวองค์ประกอบเรื่องจริงเนี่ยคนฟังเนี่ยจะรับแล้วสื่อสัมผัสได้อย่างเมื่อไม่นานเนี่ยอภรรตรองสูบเนี่ยก็เพิ่งจะตายไปแล้วก็เผาที่วัดจุดงงเนี่ยวันนั้นอาจารย์ไปสานก็ไปแสดงธรรมวันนั้นนั่นพูดดีมากเลยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอภรรตรองสูบเนี่ ย, สยแสดงธรรมได้ดีกว่าท่านอีก ทำไมท่านแสดงอ่ะสู้อบตทองสุ่ไม่ได้เพราะเห็นจริงว่าอา่อาตอ ต, ตายจริงเผาจริงแล้วท่านก็พูดเรื่องชาติวันนี้และชาติหน้าเนี่ยอันไหนจะมาจะมาก่อนก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยที่อยู่ในงานเนี่ยตั้งใจฟังกันเลยแหละแล้วก็พูดเรื่องกรรมเรื่องตีไก่เรื่องอะไระต่างๆเนี่ยคือท่านก็มีจิตวิญญาณในการพูดอะ่ะคนที่รับฟังก็คุ้มค่าอย่างพระท่านนี้่ ถ้าเล่าว่าภรรยาท่านเนี่ยเป็นมะเร็งไปจาาสุดท้ายไปให้หมอตรวจแล้วท่านก็อึ้งมากเลยตอนนั้นทุกข์ใจสุดๆรู้จะทำไงดีปกติท่านเป็นคนอีปัญหาไงแต่พอภรรยาเป็นมะเร็งในจ้าสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเนี่ยก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาแล้วก็มาดูแลภรรยาจนหดลมหายใจก็เกือบสี่ปีนะ ก็ถือว่านานมากเลยตอนหลังก็พูดไม่ได้ให้คีโมไปต้องรู้สึกว่ายี่สิบกว่าครั้งมั้งอาราคุยกับท่านเน่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยช่วยท่านมีความสุขก็คือตอนที่เห็นขี้ภรรยาปกติเราจะรังเกียจขี้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ป่วยหนักเนี่ยท้องผูกคือหมอให้ยาเยอะเนี่ยจะขี้มัให้ออกวันไหนที่ภรรยาขี้ได้อ่ะแกก็จะมีความสุขคือเรื่องพ่อแคาจะลาบ้า จะไปสารเล่าไปแล้วอัลมาก็มาเกินเกิดให้ฟังให้เฉยไม่ได้คิดจะเล่าหรอกเมื่อกี้เราก็ส่วนมวลเราปิญหาปัจเจกเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาการทัดภาคจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นของตัวทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นจริงเลยแหละไม่มีใครหนีพ้นสิ่งเหล่านี้อย่างเมื่อกี้หลวงตากลมก็แซงธรามายม ยิ่งกว่าเรามาแสดงอีกหลวงตาโกมช่วงหลังถ้านอายุเก้าสิบกว่าแล้วท่านควบคุมตัวเองไม่ได้คือร่างกายกับกับจิตท่านเน่ยไปไปคนละทางแล้วคือเรามาต้องลุ้นน่ะตอนอัดวีดีโอจารพิสานว่าหลวงตาจะรอดไหมทุกวันเลยเพราะว่าหลวงตาออกอาการท่านไม่เคยเป็นขนาดนี้ไงคนแก่บาที่ควบคุมตัวเองไม่อ ไ, ได้เราเห็นแล้วก็น้อมาถึงตัวเราเองว่าเราสักวันต้อง้องแก่เหมือนกัน แต่ถ้าจะตายก็ขอให้ตายมีสติดีกว่าไม่ต้องอยู่จนแก่เพราะถ้าเราไม่มีสติตายอยาจจะหลงตายอยาจจะไปพสารพูดบ่อยถ้าตายปับหลงเนี่ยต่อมีสิทธิ์ไปทุกขติได้เลยใั้หลวงตาโกมิแสดงธรรมาดีกว่าเรามาแสดงมีวันหนึ่งนะธรรมาไม่มีบากวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีหมอกลงฟ้าสวยเราก็ตั้งใจว่าวันนี้แหละเราจะเก็บภาพสวยๆของการบิดาบายของอาจารย์พิสารเนี่ย มาให้ญาติโยมไปชมกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็เดินบิทบาทเรื่อยๆไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดินมาจนสุดสายแล้วก็บิทบาทบ้านแรกบ้านแรกก็ยังเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วแหะตอนนั้นไม่มีใครพกลมไปเลยสักคนเดียววันนั้นเริ่มตกลงมาแต่ก็ไม่หนักนะแล้วก็เดินกลับเนี่ยเดินมาสักพักหนึ่งเนี่ยฝนก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเดินบิาบาทบาทบ้านที่สองเนี่ย ฝนก็เริ่มเทลงมาตอนนี้ทุกคนที่ไปแม้ว่าจะเป็นพระแม่ชีจาตโยมที่ไปอ่ะถือย่ามเปรียกกันหมดเลยตอนนี้เป็นสี่งเราคาไม่ถึงนะเพราะอาจารย์ไป็ารเนี่ยเป็นคนที่จะโดนฝนถล่มขนาดนั้นอนะยากมากเพราะที่ภูหลงเนี่ยถ้ารู้ว่าฝนตกเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ไม่ไปเพราะรู้กับชาวบ้านเพราะว่าจะห่วงชาวบ้านไงเพราะชาวบ้านต้อง ต, องตากฝนมาใส่บาตรอาจจาให้ป่วยได้ ที่เราไปมิณบาทเนี่ยไปปวดโยมให้โยมได้ทําบุญมากกว่าคือไม่ได้ไปเบียดเบียนโยมให้โยมลําบากจนเจ็บเจ็บให้ได้ป่วยเพราะเร า, ปาเป็นสายเหตุไงแปลว่ารู้กันไงคือว่าชาวบ้านกับพระถ้าฝนตกหนักพระไม่ไปนะแต่วันนั้นเป็นวันที่เหลือวิสัยไหนไหนก็หลุดเดินมิณฑบาทจนสุดสายแล้วอะ่ะก็เลยต้องตากฝนกันทั้งที่ไม่มีร่มโยมก็ขับรถไปหาร่มมาให้ วันนั้นอะมาตัดสินใจนะคิดว่าวันนี้ยังไงเรถ่ายภาพอาจารย์เปสารฝนตกหนักมากกว่านั้นยอมสละมือถือเลยเครื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะว่าอาจารย์เปสารชาตินี้ออาจจะเปียกแบบวันนั้นนะ่ะครั้งไม่มีอีกแล้วลอาาัฐา ก, ก็มีโอกาสเดินกับอาจารย์ก็คงแค่ครั้งนี้อะคิดว่าถ้ามือถือเจ๊งอ่ะก็คุ้มอยู่มือถือเราซื้อใหม่ได้แต่อาจารย์ไปสารจะเปียกแบบนี้ยไม่มีทางมันคุ้มก็อยู่หน้าลงทุนก็เลยวัดใจอะ คือถ้าเจ๊งก็เจ๊งไปเลยแต่วันนั้นโชคดีนะอุถ่ายจนแบบมือถือเนี่ยเปียกไปหมดเลยตัวออกมาเปียกโชคไปหมดอะเปียกหนักคนอื่นด้วยพวเพราะไปกองหน้าต้องไปเดินหาบุมกล้องอะไรเงี้ยเปียกทุกคนก็ได้ภาพสวยดังใจอะ่ะเป็นภาพที่ไม่อยู่ไหเขาทํามาก่อนไม่มีช่างภาพคนไหนบ้าถ่ายรูป ก, กลางสายฝนตกหนักขนาดนั้นแต่เราก็ทําเพราะใจรักอยากให้คนเห็นความยากลำบากของพระอิทบาท บางครั้งเราจ่ายค่าตอบแทนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นการทํางานเราลงทุนอาจารย์เป็นสายถ้าก็มีเมตตานะเมื่อวานตอนเย็นท่านก็ไปโปรยอังคารให้พาลูกทีเสียภรรยาแหละไปโปรยอังคารที่ผาศรีวิไลาอามาก็ตามไปด้วยแหละเพอผาศรีวิไลเราอยูวว่วสวยทิวทัศน์โปร่งโล่ ง, ลงคือเป็นผาสูงเราก็วางแผนแล้วโอ้โหวันนี้ถ้าภาที่ตกดินเราจะได้ภาพสวย ไปถึงฝนก็ถล่มลงมาและเราเปียกกันหมดเลยแถมอาจารย์ไปสารเดินเดินหลงทางด้วยเพราะว่าหญ้ามันสูงสูงท่วมหัวเลยแล้วไม่มีคนเดินไงไอ้ทางที่เคยเดินหายไปทางเท้าหายมีแต่ทางทาหาางญ้าอาจารย์ก็เดินผ่าลงหญ้าไปเลยที่จุดนี้เรามาแปลกใจตรงว่าอาจารย์ไม่กลัวตายเพราะว่าที่อยู่ของงูน่ะหญ้าลกขนาดนั้น แต่คนอื่นเขาเดินไม่หลงนะคนอื่นเขาทีมผูหลงเนี่ยเขาไปอีกทางนึงไงเขาไปถึงผ่าทีวิไลแล้วแต่อาจารย์ไป็สายเดินเลยไงเป็นคนละทางแต่ผมก็ไกลนะหลายเมตรเลยที่ต้องผ่าตรงหญ้าที่สูงถึงหน้าอกอะ่ะอนจารยเดินตามอาจารย์เปสายกย็ตายเป็นตายว่าถ้าเกิดสุถึงข้าตายถ้าถึงไม่ถึงข้าวตายก็คงจะรอดเพราะโอกาสเจีบงูสูงอะ่ะก็รอดไม่โดนงูกัดแต่งูโดยใชสายชัยญายเนี่ยมันจะโฉกกัดคนที่สองคนแรกอาจจะรอดอาจจะตกใจเแก ดวเราไปถึงข้าวตายคนถึงข้าวซวยถึงข้าวตายเนี่ยอยู่รูปไหนก็ตายแหละเคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าทุกอย่างไม่ได้ดังใจเราอะไรก็ไม่แน่สามารถสอดถรรรมะเราได้หมดอันมนมาก็ได้ภาพอาจารย์เป็นสารอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นเปียกฝนบ้างแล้วก็ฟ้าฟ้ามืดก็ไปอีกอารมณ์หนึ่งไปช่วงนี้อาจารย์เป็นสารนำถมาศมาพูดเนี่ยจะโดนใจทุกคน เมื่อวันก่อนอาจารย์ก็พูดเรื่องถอดหัวโขนถอดสมมุติอันนั้นน่าฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้โดนใจนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยที่รับราชการเนี่ยกเกษียรอายุคือลงจากตาแหน่งคือบางคนก็ทำใจไม่ได้เคยมีอำนาจวัฒนาเคยมีลูกน้องสั่งใครเขาก็ เต็มใจทำํำพอหมดอานาจแล้วเนี่ยคนก็ลูกน้องเก่าก็เริ่มจะหืนห่างแล้วพระรู้ว่าหมดผลประโยชน์อันนี้โตรวกับโลกควาเป็นจริงคนเราสมัยที่คบกันด้วยผลประโยชน์จะหาคนที่ทําการด้วยความจริงใจยากพอตอนมีฐานะก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องพอตอนจนก็เหม็นสาบนี้ห่างแล้วทูไปเป็นอย่างนี้มหมดผประโยชน์ก็คนที่คบก็กลัวเสียงผลประโยชน์ก็ต้องเลิกคบกันไป ตอมีผลประโยชน์ก็มาใหม่เช่นถูกหวยหรือถูกรางวัลอะไรเงี้ยอยากจารย์ปี๊ยส์ก็นําเรื่องหวยก็มาจากโยมโยมเป๋งท่าเล่าให้ฟังแหละที่ว่าบ้านแกลมีชายคนนึงนะถูกหวยแล้วลืมตัวไงฉีหวยทิ้งอ่ะอาจารย์ฟังแล้วปิ๊งขึ้นมาเลยก็เลยมาเล่าให้โยมฟังหลายครั้งแล้ะท่านฟังอะไรเป็นธรรมะหมดนะอรรมาว่าเล่าให้โยมฟังอีกรอบหนึ่งเรามาพูดถึงเรื่องหัวขวนต่อหัวโขนที่อาจารย์ปี๊ยส์พูดบ่อยก็คือสมเด็จโต สมเด็จโตเนี่ยท่านจะที่ใช้ชีวิตแบบบางครั้งก็ไปกุรีเองพายเรือเองทํางานเองคือท่านเป็นแบบอย่างที่ดีไงมีอีกครั้งหนึ่งท่านเปเทศบ้านงานก็คงไปงานใหญ่พอสมควรแนหะก็นําพัยดยศไปด้วยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งท่านพายเรือสัมปั้านไปกับลูกศิษย์แล้วแหละพอน้ําลดไปตรงคลองเล็กคลองน้อยอะไรเงี้ยเรือมันก็ไปไม่ได้ ท่านก็ถลกกีบอลขึ้นนะ่ะแล้วลงไปเข็นเรือกับผู้ลุกศิษย์ชาวบ้านเห็นเห็นสมเด็จโตเข็นเรือก็ตะโกนว่าเร็วเร็วมาดูสมเด็จเข็นเรือโวยตะโกนกันสมเด็จโตก็บอกและชี้ไปที่เรือบอกสมเด็จอยู่ที่เรือจ้าฉันขัวโตแล้วชาวบ้านก็มาช่วยทันเข็นไปถึงบ้านงานสมัยก่อนการคมนาคมลําบาก บางทีเดินทางไปไหนเนี่ยอย่างไปเทศทีบางทีเดินทางเป็นวันสองวันหรือสามวันก็ได้ไม่เหมือนสมัยนี้ไปมาสะดวกสมเด็จโตมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเจ้าภาพนิมนต์ไปไปเทศที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามงานนั้นเป็นงานใหญ่คือคนจัดเดนี่ยเป็นเศรษฐีคือนิมนต์สมเด็จโตมาเทศมหาชาติคือได้ยินกิติศักดิ์มานานว่าสมเด็จโตเทศไพายละลุ่มลึก ด้วยความที่เศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่น่าใหญ่เป็นคนมีหน้ามีตาก็เลยนึกภาพว่าสมเด็จโตเนี่ยจะต้องนำขบวนเรือที่ได้รับพระราทานจากรัชกาลที่สองเนี่ยมาด้วยแน่แล้วก็ติดตามด้วยพระอุปถากญาติโยมโคมากใหญ่โตอะ่ะสมฐานะสมเด็จเศรษฐีก็คุยโวตลอดงานแหละเพราะว่า คืทำใตัวเองไปจุดเด่นไงติดการเทส์มากมายเลยหลายชุดอ่ะแต่แล้วเศรษฐีก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าสมเด็จโตเนี่ยมาเรือโดยเรื อ, เ ร, อ, เ, รอเรือรับจ้างลบเล็กๆเศรษฐีแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยศรัทธาที่มีกับสมเด็จโตเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยอะเพราะไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดเศรษฐีก็เชิญสมเด็จโตไปทักผ่อนเพราะเดินทางมาไกลแล้วตัวเองก็เข้าไปในในห้องอ่ะ ที่เตรียมเครื่องถวายกันเทศแล้วก็ไปนำออกต้องเยอะคือไม่อยากจะให้แล้วถ้าถึงเวลาแสดงธรรมเสร็จถีก็ไม่ออาหัฟังก็อยู่ในห้องกันเทศอะสมเด็จโตพุทธมรแรกๆ ก, ก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่พูดไปพูดไปก็เริ่มไพลล้อลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆจนเสร็จถีเนี่ยตอนแรกไม่ตั้งใจฟังนะพอฟังไปแล้วไปโดนใจเข้าจนน อ, อกหัฟังข้างนอก ฟังแลชอบใจแล้วก็แอบใส่กันเทศไว้เหมือนเดิมหลังจากแสดงธรรมเสร็จก็นาการเทศ บ, บรรทわりสมเ็ตโตสมเบตโตก็รู้ว่าเศรษฐีคิดอะไรอยู่จึงบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้หวังมาเอากันเทศหรือเงินทองแต่อย่างใดแต่ต้องการมาแสดงธรรมให้ฟังนานๆถึงมีโอกาสได้มาครั้งหนึ่งแล้วสมเบโตโตอบรมเศรษฐีบอกว่าท่านเนี่ยเปโคงใจบุญอยู่แล้วแต่ยังมีทิฐิมานะเยอะ คือยังติดในติดนายศถาบดาศักดิ์แล้วก็บอกเศรษฐีลดละซะเส่วนนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็บอกให้เศษลละะเรเศษฐีเนี่ยนำเครื่องไถยทานเนี่ยไปแจกคนยากจนบางอันที่เป็นของพเก้็ไปให้วัดแถวนั้นแล้วสมเด็จโตก็ลากลับโดยที่ว่าไม่ให้เศรษฐีไปส่งเลึอนก็โจดใจไปทั่วเป็นการเล่าจากคนคนที่พาสมเด็จโตไปแหละคือเหลือรับจ้าง แต่เรื่องนี้เล่ากันน้อยก็ทําให้สมเด็จโตเนี่ยเปลี่ยนทิฏฐิเศรษฐีคนแบบติดในลัทธิประด า, าศักดิ์เนี่ยให้กลายเป็นคนแบบเศรษฐีใจดีมีเมตตาขึ้นมาได้แล้วมีอีกเรื่องห น, นึ่งสมเด็จโตเราอยู่ที่วัดละกครังจะเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกดีใ จ, จก็คือเวลาท่านพูดอะไรทําอะไรแสงความเห็นอะไรเนี่ยลูกศิษย์ก็จะบอกถูกแล้ว ดีแล้วคือไม่มีใครขัดใจเลยจนทำให้สมเด็จโตรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยประจบไนงะคือไม่จริงใจจึงคิดจะสอนธรรมะพวกพระเนนให้รู้สำนึกแล้ววันหนึ่งก็โอกาสก็มาถึงวันนั้นมีโยมนำอาหารมาถวายมากมายเลยสมเด็จโตคิดอูบายขึ้นมาได้ก็บอกให้เนเนี่ยนำกระทะใบใหญ่ มาตั้งแล้วก่อไฟแล้วก็น้ำใส่เต็มกระทะแล้วก็ให้เนไปหาผักบุ้งมามาหั่นเป็นข้อๆแล้วก็ผสมลงไปในกระทะแหละแล้วก็นำอาหารที่โยมถวายมากมายเนี่ยเทรวมลงไปในกระทะทั้งหมดแล้วก็คนคนๆจนสุกแล้วสมเด็จโตก็ประกาศไปทั่ววัดบอกว่านิมนต์ให้ทุกคนมาฉันเพนนะวันนี้ขัวโตปรุงเองกับมือคันถึงเวลาเพน พระเดินก็มารับอาหารไปฉันกันทุกรูปคันถึงเวลาเย็นก็ได้เวลาทำวัดที่โบสถ์สมเด็จโตก็ไปรอดักพระเนนที่หน้าโบสถ์แล้วก็ถามเทียรูปว่าอาหารที่ฉันปรุงเองกับมือเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างพระทุกรูปก็บอกว่าอร่อยครับดีครับถ้าทุกคนเลยจนมาถึง หลวงตาอยู่ท่านหนึ่งที่บวชมาหลายพรรษาสเมเด็โตก็ถามถามหลวงตาว่าขัวตาอาหารที่ฉันปูเองกับมือเนี่ยรสชาติเป็นยังไงมัง่งขัวตายกมือไหว้สเมเด็จโตแล้วก็พูดคิดว่าพระเดชพระคุณท่านรสชาติมันไม่ไหวจริงๆขนาดผมเทให้หมาหมายังไม่กินเลยสเมเด็จโตก็ยกมือสาธุบอกว่าขัวตาผู้ถูกแล้ว แล้วเย็นวันนั้นสเมเบโตก็นำเรื่องหัวตาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้พระเนรในวัดฟังและชี้ถึงโทษของการโกหกเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคนจะโกหกหรือไม่ก็ทำให้รู้สึกว่าสบายใจพอเรารักความจริงของตัวเองได้เนี่ยเราก็เข้าใจคนอื่นคนอื่นก็คือผู้ชี้ขูกซับไปเราแหละอย่างเรามีกลิ่นตัวถ้าคนบอกว่าเรามีกลิ่นตัวเราก็สามารถลดกลิ่นตัวได้ไปอาบน้าบ่อย คนบอกว่ามีกลิ่นปากปากเหม็นนะเราก็ไปแปรงฟันบ่อยๆหรือใช้ยาบ้วนปากก็บรรเทาลดได้หรือเดินไม่ตรงหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบุคลิกภาพไม่ดีคนอื่นเห็นชี้แนะเราเนี่ยเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้แต่บางคน อ, อ้างสารทำอะไรผิดแล้วไม่มีใครบอกเลยเพราะว่าบอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผิดตลอดชีวิตไม่มีใครกล้าพูด คือจิตใจบางทีถ้าเปิดกว้างเนี่ยเพื่อนก็กล้าบอกบอกแล้วไม่โกรธอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์มิตรภาพก็ไม่เสียเป็นประโยชน์ทั้งตนและคนอื่นอย่างเรื่องอัตราหรือหัวโขนเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วหัวโขนชีวิตเราก็เบาแล้วคือบางทีเรารับบทตามที่หัวโขนไม่เปลีป่ย น, นอยู่เรื่อยนะบางคนเดี๋ยวก็เป็นพ่อเดี๋ยวก็เป็นน้องเป็นพี่เป็นลูกเป็นผัว เป็นเมียเป็นลูกศิษย์เปรียจารย์มั่วไปหมดแหละเพราะว่ามันเปลี่ยนตามเหตุการณ์มันมันยึดไม่ได้เลยอย่างเพื่อนอาจารย์ใบศาลนะที่ว่าเมียมาเอาว่าเรื่องหวีผมอ่ะแล้วแกเครืองอ่ะว่ารู้เปล่ากูเป็นใครกูเป็นวิทยากรระดับชาตินะอันนั้นแกผิดบทแล้วเพราะตอนนั้นแกคือผัวเพราะผัวขนเปลี่ยนตลอดเวลาไงถ้าคนเข้าใจาตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่แบกหัวโขวนอ่ะใช้ถูกการศษา ยางมีพระบางคนเป็นเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าห้ามเพลเนี่ยไปเยี่ยมวัดในสังกัดเนี่ยพอพอลูกวัดเขาไม่รู้จักเขาไม่ไม่ประกาศเ่ยบางทีเขโกรธก็มีคือบางคนใช้สมุดไม่เป็นไงถ้าใช้สมุดเป็นก็ไม่แบกอะไปไหนก็ตัวตนไม่โตอีกเรื่องหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งแกกำลังจะตายโยบทูตก็มาปรากฏตัวขึ้นเศรษฐีก็ถามว่าจะพาไปไหน ยบทูตก็บอกว่าจะพาไปดลกเศรษฐีรู้สึกว่าไม่ได้รับฝากเป็นธรรมก็ไม่ยอมทักท้วงขึ้ว่าตัวกเองเนี่ยทำความดีมากมายช่วยสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางทำบุญช่วยเหลือกรมปรรมข้อต่างๆทำไมต้องตกอรลกด้วยยบทูตเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยไม่เต็มใจไปตกลกก็เลย เอางี้ก็แล้วกันจะให้เวลาเศรษฐีเนี่ยอยูอ่อาทิตย์หนึ่งแต่มี็นเงื่อนไขเศรษฐีจะต้องหาคนที่ยิ้มจากใจจริงให้ได้สามครั้งถึงจะไปสวรรค์ไม่ตกนรกเศรษฐีก็รับปากเพราะคิดว่ายิ้มจากใจจริงเนี่ยสามครั้งน่าจะหาง่ายวันแรกเศรษฐีก็นึกถึงหน้าภรรยาสุที่รักเลยจึงไปซื้อเพชรมาให้ พญาก็ดีใจแล้วรู้สึกแปลกใจทำไมอยู่ๆวันนี้ซื้อเพชรเศรษฐีคงคิดว่าได้ยิ้มอจากใจจริงนะสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกระซิบจากโยบะทูดว่านั่นไม่ใช่ยิ้มอจากใจจริงเธอดีใจเพราะได้เพชรต่างหากเศรษฐีก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อสิ่งของต่างที่คิดว่าเธอชอบแหะเธอก็ดีใจทุกครั้งนะแต่เศรษฐีก็รู้ว่ามันไม่ใช่ยิ้มอจากใจจริง มันไม่หล่อจากควนบึงหัวใจผ่านไปสามวันเศรษฐีก็ยังไม่ได้ยิ้มจากใจจริงของภรรยาเลยตอนนี้เริ่มเริ่มเครียดแล้วขันถึงเช้าวันที่สี่เศรษฐียิงลุกขึ้นมาทำอาหารให้ภรรยาแต่เช้าเลยก่อนที่ภรรยาตื่นด้วยโดยไปทกปิ้งหนมปังแล้วก็หมูแฮมไส้กรอกภรรยาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นเศรษฐีทาอาหารให้ ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ดีใจมากทำให้นึกถึงความหลังเก่าๆตอนที่รักกันเลยใหม่ช่วงนั้นเศรษฐีทาอาหารให้ภรรยาทานทุกวันพอตอนหลังเศรษฐีรวยขึ้นทําให้มีงานมากจึงไม่มีโอกาสได้กินอาหารเช้าร่วมภรรยาเลยภรรยาจึงยิ้มแบบผ่อนคลายที่สุดอะมีความสุขเศรษฐีจะได้ ย, ยิ้มแรกจากภรรยาโยงทูก่กระบอกนี่นจะใช่แล้วยิ้มแบบใจจริงสิ่งที่ภรรยาต้องการเนี่ย ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่ต้องการต้องการความรักการใส่ใจกว่าจะได้ก็ปาเขาไวที่สี่เศรษฐีก็คิดถึงคนที่จะให้รอยยิ้มคนที่สองคือลูกน้องคอนทนดนั่นเองที่ทำงานมานานแต่เรียกเขาพบและแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการใหญ่โอนหุ้นให้ส่วนหนึ่งลูกน้องคนทนดก็ยิ้มก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกแต่เศรษฐีก็สังเกตว่ามันก็ไม่ใช่รอยยิ้มแบบกิง ใ, ใจอ่ะ สีหน้ายัางปนเจือปนด้วยความเศร้าหมองอยู่เศรษฐีก็ไม่รู้จะทําไงตอนนี้เวลาตัวเองก็เหลือน้อยแล้วจนถึงว่าสุดท้ายเศรษฐีก็เรียกลูกน้องเขาเดี๋ยวมาพบอีกแล้วก็นําตัวเครื่อบิในให้ห้าใบบอกให้พาลูกเมียไปพักผ่อนให้ลาหยุดหนึ่งเดือนตอนเนี้สีหน้าของลูกน้องคนเศรษฐีเปียนไปเลยนะ ยิ้มอย่างผ่อนคลายจนเศรษฐีสัมผัสได้เลยเสริรธีได้ยิ้มรอยยิ้มที่สองในวันที่เจ็ดเศรษฐีก็คิดว่าเวลาของตนใกล้หมดแล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่โยมบรรทุจะมารับตนจึงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆจึงถอดสูตรแล้วก็ไปนั่งรถไปจำทางเล่นเพราะปกติเศรษฐีไปไหนเนี่ยจะมีคนขับรถให้แล้วก็มีแฟ้มเอกสารที่ต้องเซ็นไงคือไปทีก็หลูมาหลู ถอดีนั่งรถเมล์แล้วก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆบทถนอนน่ะไปเส้นนู้นเส้นนี้เพื่อลือความหลังแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้โกรกเวกอยู่มีแต่คนเดินผ่านไม่สนใจเครเทีอขคิวไหนๆก็จะตายแล้วขอทางฟัมดีช่วยผู้หญิงคนนี้ดีกว่าจึงเข้าไปถามว่าหนูน้อยทำไมถึง ร้องไห้เธอก็บอกว่าเนี่ยพัดหลวงกับพ่อแม่ที่ตลาดเนี่ยเศรษฐีจะนําเด็กเนี่ยไปส่งที่โรงพักแล้วก็ประสานงานให้ตํารวจเนี่ยติดตามพ่อแม่ให้มารับสักพักหนึ่งพ่อแม่เด็กมาถึงโรงพักเนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกก็กอดกันโอ้โหแบบดีใจสุดขีดเลยเพราะธรรมดาพ่อแม่ที่ลูกลูกหายไปเนี่ยก็จะเป็นห่วงมากไงลูกก็ดีใจที่พ่อพ่อแม่เนี่ยเศรษฐี มีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยน้ำตาปื้มปิติสักพักหนึ่งโยมปรทูตก็มาเศรษฐีก็ยื่นแขนให้ออกไปได้แล้วโยมปรทูดบอกว่าเจ้าได้ไปสวรรค์แล้วแหละแต่ยิ้มจากใจจริงครบสามครั้งแล้วเศรษฐีกงงเอ๊ะครั้งที่สามได้มาจากใครยังไม่มีใครยิ้มให้เลยยมทูตก็เอากระจกให้เศรษฐีดูเศรษฐีก็เห็นหน้าตัวเองเนี่ย ยิ้มอย่างผ่อนคายไม่เหลือร่องรอยของกรรมการใจ ย, ยักกลายเป็นชายาลาคนหนึ่งที่หน้าตาเปลี่ยนไปด้วยควาเมตตาเศรษฐีก็พ่มใจนะโอ้ี่เรายิ้มให้ตัวเองด้วยเหรอแล้โยมพทูตก็บอกว่าเทวทูตไป ม, มาแล้วให้อยู่ต่อไปเพื่อทำบุญทงบุญสนสร้างความดีไปเรื่อยๆ เ, เรื่องนี้ก็จบนิทานเรื่องนี้ก็งคิดว่าคนเราเนี่ย ต้องยิ้มจากใจตัวเองถึงจะมีความสุขช่วยคนอื่นทำความดีหรือบางครั้งยกมือไว้ตัวเองได้แหละอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้บางทีขับพูดคนอื่นเนี่ยบางทีก็ถึงชมเราบางทีก็ไม่ได้ชมอยากใจจริงถึงด่าเราอาจจะไม่ถูกก็ได้บางครั้งถ้าเราเก็บบัคค้สว ด, ด, ดเราก็ต้องทุกข์อ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ในสิ่งที่เราทําะฉะนั้นคนที่ที่ถูกไม่ถูกดินทาจึงไม่มีในโลกอะ่ะ ขนาดผู้ยุ่งยายังโดนดินทาเลยคนเข้าใจผิดเยอะแยะอย่างตัวอาจารย์เปสารก็โดนเข้าใจผิดเยอะแยะอารมาต้องคอยเล่าให้คนรู้คนฟังที่รู้จักอะ่ะคือคนที่อยู่ใกล้คิดถึงรู้ว่าอาจารย์เป็นคนอย่างนี้นะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเป็นคนที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ละคนเข้าใจผิดก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยทําเพื่อหาชื่อเสียงยุ่งการเมืองสแสวงหาลักษณะ มันก็มีอรรมะคอยแก้ต่างให้คนที่เข้าใจผิดเดยอะแยะหมดอ่ะหรือบาทีคนก็คืด่าก็มีคนที่ไม่ชอบหน้าอาจารย์แต่คนที่ชมจะมากกว่าคนด่ามีน้อยคนที่ชมก็มีความรู้สึกว่าธรรมะที่แสดงเนี่ยชมจาก youtube เมื่อจเจนวีดีโอหรือฟังจากเสียงที่เราเผยแพร่เนี่ยบางครั้งทําให้เรากำลังทุกอยู่เรื่องเนี้ยไปปิ๊งโดนใจเข้าบางทีฟาทุกก็หุดได้เลยนะ อย่างบางีกำลังวางใจผิดเรื่องทะเลาะคนนู้นคนนี้มาหรือเรื่องการงานหรือการยึดยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยหรือเสียใจสูญเสียของรักเนี่ยพอพอฟังธรรมะขึ้นมาเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้บิดวงตาเห็นธรรมเป็นเรื่องๆไปเขาลุกจากอารมณ์นั้นแหละเราคนท้อใจบุกําลังใจคิดซ่ญญาอยากฆ่าตัวตายพอฟังธรรมะ ก, ก็เกิดมีกําลังใจสู้ชีวิตต่อไป อันธพาจึงเป็นที่พึ่งของทุกคนเนี่ยอย่างตัวธรรมาก็ทุกวันนี้ก็ทําเผยแพร่ธรรมะก็สอนตัวเองนะไม่ได้คิดไปสอนคนอื่นหรอกบางทีเราก็มีปัญหาเยอะแยะธรรมะที่เราโพสต์เราอ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้จักอารมณ์นั้นได้มหาตัวธรรมาก็เสียของนล้วบางทีของเจ๊งของพังอะไรเงี้ยหรือไม่ได้อย่างใจอะ่ะแต่เราก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะเรายอมรับความเป็นจริงคือแป๊บเดียวเราเราเสียได้ช่วงแรกๆเดี๋ยวเราก็หายล้ ปล่อยวางได้เพราะเราเสียเสียได้เลยก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วพิษถาจปัจเจกบบเนี่ยอาจารย์เปศารบอกให้เป็นคาถากันทุกเลยนะเอาไว้ห้อยคอดีกว่าเครื่องอีกถ้าใครเข้าใจเรื่องอภิษฐาปัจเจกบบเนี่ยเราก็อยู่ในโลกนี้ได้คือทุกข์ก็ทุกข์น้อยมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความพาัดภาคสูญเสียเรามีกรรมทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เดี๋ย ร, รู้อยู่กับตัวเองเราทําดีปุ๊บเราช่วยคนอื่นเราก็มีความสุขทันทีเลยเราทําไม่ดีคิดร้ายคนอื่นเบียดเบี้ยคนอื่นเราก็รับกรรมจิดแล้วก็เศร้าหมองอันนี้เห็นได้ด้วยตัวเองคือยิ่งทําดีก็ยิ่งได้ดีอ่ะยิ่งทําไม่ดีก็ยิ่งไม่ดีเราก็เป็นผู้รับผลดออ้วยกันละอันนี้พิเศษจะทําความเป็นจริงแล้วเป็นกระถาการทุกข์ด้วยแล้วก็ลกธรรมก็มีลาบเสื่อมลาบ ม, มียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสเสริมมีนิทาถ้าเราเข้าใจ หัวโขนแบบนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รับได้ไม่ เ, เป็นการสูญเสียต่างๆสิ่งนี้ผิดหวังแล้วก็อยู่กัวโลกกาทําได้เวาพูดมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะวันนี้ก็คาดไม่ถึงว่าต้องพูดทำกลางไฟดับแต่ก็ถือว่าพูดจบนะก็ถือว่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนธรมมรมนิยญาติโยมคิดไรถูกต้องข อ, อสมปานาเอวัง